ตอนที่68ดทำไมเพิ่งมารู้ตัวเอาป่านนี้ซุนเทียนอวี๋เพิ่งกลับถึงบ้านก็เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายกำลังควบคุมตัวซูเหมี่ยวหลิงเดินออกมาพวกคุณจะทำอะไรภรรยาผมทำความผิดอะไรทำไมต้องพาตัวเธอไปด้วยพวกเรากำลังปฏิบัติหน้าที่กรุณาให้ความร่วมมือด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเตือนด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดเหมียวหลิงพูดอะไรบ้างสิ ซูเหมียวหลิงก้มหน้าลงใบหน้าดูไร้ชีวิชีวาเธอไม่ปรีปากพูดแม้แต่คำเดียวและไม่แม้แต่จะใช่ตามองเขาเลยสักนิดซุนเทียนอวีพยายามเข้าไปขัดขวางพ่อและแม่ของซุนจึงรีบวิ่งออกมาดึงตัวเขาไว้รอจนรถตำรวจขับออกไปพ่อและแม่ของซุนถึงได้เล่าความผิดของซูเหมียวหลิงให้ซุนเทียนอวีฟังจนหมดเปลือกอะไรนะพ่อกับแม่จะบอกว่าเธอเป็นคนฆ่าพ่อแม่แท้ๆของม่านอินแล้วยังจ้างคนไปฆ่าซูม่านอินอีกอย่างนั้นเหรอ ซุนเทียนอวีไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนที่นอนร่วมเตียงกับเขามาตลอดจะเป็นฆาตกรในสถานกัการณ์ซูเหมียวหลิงมองซุนเทียนอวีที่มาเยี่ยมตนด้วยสายตายเย็นชาซุนเทียนอวีคุณรู้ไหมซูมานอินยอมแต่งงานกับตาแกรดีกว่าจะแต่งกับคุณเสียอีกซุนเทียนอวี่จ้องมองเธอเขม็งโดยไม่ตอบโต้แต่เธอก็โชคดีจริงๆนะที่ยังสามารถแต่งงานใหม่กับตำรวจหนุ่มได้เพราะฉะนั้นซุนเทียนอวีคุณตัดใจเสียเธอชาตินี้พวกคุณไม่มีทางได้กลับมาครองคู่กันอีกแล้ว คุณเคยรักผมบ้างไหมคําถามเรียบเรียบที่พลงออกมาทำเอาซูเหมียวหลิงถึงกับชะงักผมถามคุณว่าคุณเคยรักผมบ้างไหมซูเหมียวหลิงเม้มริมฝี ป, ปากก้มหน้าลงด้วยความรู้สึกผิดเธอเคยรักเขาไหมที่ผ่านมาเธอทําเพื่อแก้แค้นซูม่านอินหรือเพราะต้องการถีบตัวไปหาความร่ํารวยหรือว่าเธอรักเขาจริงๆกันแน่ซุนเทียนอวีหลับตาลงแน่นทําไมต้องทํากับผมแบบนี้ผมเพิ่งจะเริ่มรักคุณแท้ๆทำไมคุณต้องทิ้งผมไปแบบนี้ด้วย สู้เมียวหลิงตกตลึงอีกครั้งเธอ์นิงอึ้งพางจ้องหน้าซุนเทียนอวีคุณพูดว่าอะไรนะผมบอกว่าผมเพิ่งจะรักคุณไม่คุณโกหกมุมปากของซุนเทียนอวีปรากฏรอยยิ้มหยนันคุณคงไม่คิดว่าผมจะไม่รู้รสขมในนมแก้วนั้นหรอกนะสู้เมียวหลิงสุดตัวลงกับเก้าอี้อย่างหมดสภาพถ้าอย่างนั้นคุณก็ใช่ก่อนหน้านั้นผมรักคุณไปแล้วเพราะฉะนั้น ซุนเทียนอวียิ้มอย่างขมขื่นทำไมคุณถึงได้โง่และใจร้ายขนาดนี้เทียนอวีฉันขอโทษฉันขอโทษคุณจริงๆซูเหมียวหลิงยกมือขึ้นปิดหน้าร้องให้ออกมาอย่างคุมไม่อยู่น้ําตาไหลพรากไม่ขาดสายฉันผิดไปแล้วฉันรู้ซึ้งถึงความผิดแล้วจริงๆซุนเทียนอวีปาดน้ําตาแล้วค่อยๆลุกขึ้นยืนเหมี่ยวหลิงเชงเมง้งปีหน้าผมจะเตรียมดอกลินลี่ที่คุณชอบที่สุดไว้ให้คุณนะซูเหมียวหลิงยังคงสะอื้นให้โฮพลางพร่ำพูดซ้ำๆว่า ฉันผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้วจริงๆถ้ว่าความผิดได้เกิดขึ้นแล้วต่อให้เสียใจภายหลังเพียงใดก็ไม่อาจแก้ไขอะไรได้อีกเมื่อซูมานอินและเกาชังเหอมาถึงบ้านตระกูลซูทั้งคู่ต่างก็รู้สึกประมาซูมานอินอาศัยความทรงจําในการหาที่อยู่เธอเกรงว่าเมื่อเปิดประตูเข้าไปแล้วจะเผอแสดงท่าทีผิดปกติจนพ่อแม่ตระกูลซูจับพิรุษได้ส่วนเกาชังเหอนั้นเป็นไปตามที่ชินเสี่ยวเยเว่พูดไว้จริงๆเขามาที่นี่เพื่อพบพ่อตามแม่ยายโดยเฉพาะ เมื่อกดกริ่งไม่นานนักก็มีเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านในประตูบ้านเปิดออกสามีภรรยาไวกลางคู่หนึ่งยืนรอรับอยู่ที่ประตูด้วยความดีใจม่านอินในที่สุดลูกก็กลับมาเสียทีตอนแรกเจ้าสูเสียยงยิ้มอยู่แต่พอเห็นสูม่านอินเข้าจริงๆน้ําเสียงของเธอก็เริ่มสั่นเครือสูเจนยืนอยู่ข้างๆแม้มุมปากจะยกยิ้มแต่เห็นได้ชัดว่าเขากําลังสั่นเทาด้วยความตื่นเต้นและทําตัวไม่ถูกพ่อค้ามแม่ขนูทําให้ทุกคนต้องเป็นห่วงแล้ว ซูม่านอินทักทายด้วยรอยยิ้มก่อนจะเดินเข้าไปสวนก่อดซูเจิรนและเจ้าซูเสียคนละทีพ่อค้าแม่คนี่เกาฉางเหอแฟนหนูค่ะสวัสดีครับคุณอาทั้งสองเกาฉางเหอทักทายพร้อมรอยยิ้มพางชูของขวัญในมือขึ้นนี่เป็นของฝากเล็กๆน้อยๆจากผมรับไว้เถอะครับมาก็มาเถอะจะหิ้วของฝากมาทําไมกันซูเจิรนพูดอย่างใจกว้างได้ยินว่าคุณเป็นทหารเหมือนกันอยู่เขตทหารไหนล่ะ ซูเจนดึงตัวเกาฉางเหอเข้าบ้านทันทีและเริ่มชวนคุยเรื่องในกองทัพอย่างออกรสเกาฉางเหอถึงได้รู้ว่าที่แท้ซูเจนก็เคยเป็นทหารมาก่อนแต่ภายหลังได้รับบาดเจ็บจึงปลดประจำการกลับมาทำงานในหน่วยงานรัฐจนกระทั่งตอนนี้อยู่ในสถานะเกษียณแล้วดังนั้นไม่ได้เจอคนที่เป็นทหารเหมือนกันเขาจึงรู้สึกเอ็นดูเป็นพิเศษเจ้าซูเสียจู้งมือซูม่านอิงเข้าบ้านพ่อของลูกนะคราวนี้คงมีเพื่อนคุยถูกคอแล้วล่ะ เมื่อทุกคนเข้ามาในบ้านเจ้าซูเสียก็พาม่านอินเข้าไปในห้องส่วนตัวม่านอินลูกได้เจอเหมี่ยวหลิงบ้างหรือยังซูม่านอินพยักหน้าก่อนจะมาที่นี่เธอและเกาฉางเหอได้แวะไปหาสูเหมี่ยวหลิงที่สถานกักกันมาแล้วรอบหนึ่งซูเหมียวหลิงพอเห็นเธอเขาก็เอาแต่ร้องไห้และตะโกนวายวายว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมเหมียวหลิงสำนึกผิดแล้วค้าแต่ว่าแม่รู้เจ้าซูเสียกุมมือเธอไว้ดวงตาเริ่มคลอด้วยหยาดน้ําตา พูตามตรงแม่มีความรู้สึกผิดต่อเหมียวหลิงอยู่ลึกๆก็เลยยอมตามใจเธอไปเสียทุกอย่างแต่สําหรับลูกแม่รักและเอ็นดูลูกเหมือนลูกสาวแท้ๆมาโดยตลอดนะซูม่านอินพยักหน้าแสดงว่าเธอเข้าใจทุกอย่างดีเธอกอดเจ้าซูเสียอีกครั้งแม่ข้พ่อแม่แท้ๆของหนูก็จากไปหมดแล้วต่อจากนี้ไปให้หนูทําหน้าที่แทนเหมียวหลิงคอยดูแลกรตันยูต่อแม่เองนะคะไม่ลูกไม่ต้องทําหน้าที่แทนใครหรอกพวกเจ้าทั้งสองคนต่างก็เป็นลูกสาวของแม่มาตลอดและจะเป็นตลอดไป ในมื้อค่ำทุกคนในครอบครัวนั่งล้อมวงทานอาหารมื้อใหญ่ด้วยความสุขพลางดูโทรทัศน์ไปด้วยม่านอินนี่เป็นถังกว๋วที่พี่เพิ่งซื้อมาตอนลูกจะกลับก็พกไปทานระหว่างทางด้วยนะขอบคุณค่พี่ใหญ่น้ำเสียงใสๆของซูม่านอินทําให้ซูม่านเฉงิงฟังแล้วรู้สึกรื่นหูยิ่งนะักเรื่องกลับไปเรียนมหาวิทยาลายัยพี่สอบถามมาให้แล้วนะขอแค่เดือนกันยายนปีหน้าลูกสอบผ่านการทดสอบของพวกเขาลูกก็สามารถกลับไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเอชได้เลยจริงเหรอคะ ซูมานอินรีบยกแก้วขึ้นชนกับซูมานเฉิงที่ใหญ่พี่เป็นพี่ชายที่เพิ่งพาได้จริงๆฮ่าห่ามานอินลูกเปลี่ยนไปนะซูมานเฉิงพูดอย่างยินดีดูรู้จักข้าสังคมมากขึ้นเยอะเลยแต่พี่ชอบนะขณะที่ทุกคนกำลังพูดคุยหัวเราะ ก, กันอยู่นั้นข่าวจากสถานีโทรทัศน์ประจมณฑลก็ดังขึ้น ผู้สื่อข่าวพิเศษสถานีโทรทัศน์เมืองม่านเฉิงรายงานว่าหัวหน้าแผนกสำนักงานโรงงานทอผ้าอำเภอไห่เฉิงรองผู้อำนวยการโรงงานเครื่องจกักรและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตไห่เฉิงสหายซูม่านอินในงานแสดงสินค้าเพื่อการส่งออกครั้งที่52เธอได้สแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและความตระนักรู้ที่สูงส่งนอกจากจาการปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าว ในพิธีเปิดแล้วเธอยังมีส่วนร่วมในกิจการต่างประเทศของงานแสดงสินค้าจนประสบความสำเร็จในการช่วยให้วิสาหกิจเซ็นสัญญาการค้ามูลค่าสิบล้านหยวนและยังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการเจราจาธุรกิจการค้าต่างประเทศบนขบวนรถไฟเมื่อครอบครัวเห็นข่าวต่างก็หันมามองซูม่านอิงเป็นตาเดียวซูม่านอิงเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันทําไมมันถึงประจบเหมาะขนาดนี้ข่าวนี้ถึงได้มาออกอากาศในวันนี้พอดี ซูม่นเฉิงแอบกลั้นขำอยู่ข้างๆที่แท้เป็นเพราะฉินเสียวเจงใจโทรศัพท์มาบอกเขาให้เขาคอยติดตามข่าวภาคเที่ยงของสถานีโทรทัศน์ประจมณฑลในวันนี้ที่แท้ก็คือข่าวนี้เองสินะม่านอินลูกโตขึ้นมากจริงๆถึงกับกลายเป็นบุคคลตัวอย่างไปแล้วซูเจิ้นน้ำตาคลอด้วยความปราบปลืม้มถ้าหากว่าเออวันที่เป็นมงคลแบบนี้อย่าพูดเรื่องที่ทำให้เศร้าใจเลยค่ะเจ้าซูเสียรีพูดข้สามี ม่านอินย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเถอห้องที่บ้านยังว่างอยู่นะซูม่านอินยิ้มพลางสายหน้าพ่อคะแม่ขหนูปรึกษากับช้างเฮิรแล้วเขาว่าพวกเราจะแต่งงานกันก่อนสิ้นปีนี้หน้าที่การงานของพวกเราอยู่ที่ไห่เฉิงเพราะฉะนั้นแต่พวกเราจะกลับมาที่ตรงไห่ในช่วงวันหยุดแน่นอนครับเกาช้างเหอเสริมหวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะวางใจมอบม่านอินให้ผมดูแลนะครับซูเจิร์และเจ้าซูเสียสบตากันก่อนจะชูแก้วเล้าขึ้น ชังเฮอร์มันอินพ่อกับแม่ขออวยพรให้ลูกทั้งสองมีความสุขในชีวิตสมรถนะ